ศุชาติวิสัชนาท ก, กับท่านลงตาในรัสขี่นานครัตตอนโยนิโซมนัติกาไ อ, ไอเวลาไ อ, ไอที่ที่ลาลงตางพูดพูดอย่างเนี้ยใครใครไม่เข้าใจไม่เคลียร์ไงให้ชื่อสักเพราะว่าพยายามจะพูดบางทีคนฟังก็อาจจะไม่เข้าใจ เราไม่รู้ว่าเข้าใจไหมเข้าใจหมอหมอเข้าใจไอมที่ที่พูดเนี่ยหมอหมอเข้าใจยังไงหมอลองหอพูดสิที่พูดเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าเนี่ยคือไม่ว่าเราจะนั่งหรือจะเดินเนี่ยเราต้องมีเวลาที่อยู่ตัวคนเดียวหน่อยแล้วก็ให้เห็นว่าไอ้เนี่ยในใจของเราเนี่ยมันจุกชิกชุกชิกชุกชิ ก, ช ก, ช ก, ชกตลอดเวลาเลยมันไม่รู้มันจุกชิกอะไรแนะ่แต่ไม่ไปสนใจว่ามันคิดเรื่องเราอะไรนะแต่มันจะชุกชิกชุกชิกุกชิกอ่ะ แต่เราจะ ย, ย, ย, ยึดไอ้จุกจิกจุกนั่นเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเพราะว่าตัวเราไม่มีไอ้จุกจิกนั่นมันเป็นมันเป็นขันห้าหรือเป็นสังขาร ข, านขันหรือเป็นจิตต่สังขารมันเป็นของปรุงแตง่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปเมื่อไรที่อายุขัยเนี่ยไอ้จุกจิกจุจิกก็ดับหมดแหละแต่ตัวเราเนี่ยไม่มีไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราเั้นไนอ้จุกจิกยังไงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราเอยไปเนี่ยให้เห็นว่า ไออาการกิริย า, าการที่มันคิดนึกตึกตองมีกิริยาอาการใดๆภายในใจเราเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราอย่างเดียวขอให้มั่นมั่นอยู่ในใจอย่าง้ว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราส่วนอาการชิบชกบชิบชิชเนี่ยเป็นกิจิตสางขารหรือว่าเป็นสังขารฟุ้งแต่งมันก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเวลาเราตายสิเนอยร์ยุไคเนี่ยไออาการจิบชิบชิบเนี่ยมันก็จะดับไปหมดแล้วมันก็จะไปถึงจึดความไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนของเราแต่แรกแล้ว ไอ้ตัวเี่อาการกิริยาการเนี่ยมันไปตกอยู่ใต้กฎว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดอันย่อมดับไปเป็นธรรมดาแต่ไอ้ตัวเราไม่ไ ม, ไม่มีเราเราไม่ไปยึดไอ้ส่ว น, วนที่ส่วนที่มีที่ปรากฏเป็นตัวเราแล้วตัวเราเลยไม่มีแต่ถ้าเราไปยึดไอ้สิ่งที่มีที่ปรากฏเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเรามีมีตัวเราทันทีเลยแล้วเวลาเราตายแล้วยมมาทูตยมบายก็มาจับเอาตัวเราไปได้เพราะว่าเราไปยึดเอาตัวเราว่าตัวเรามีแตม แต่แม้กระทั่นั้นกับบางคนก็ว่าตัวเราไม่มีก็พยายามไปยึดเอาความไม่มีเป็นตัวเราอีกก็มีอีกเหมือนกันวันนี้ก็เจอเอ้ไม่ไปยึดกิริยาการทุกคิดทุกอาการเนี่ยที่เกิดขึ้นจุกจิกก็กลีกไม่ไปยึดแต่ไปยึด ต, ตัวความไม่มีเอาไว้ตึงไว้ว่าความไม่มีคือตัวเราเลยพอดูแล้วเอ้จิตมันไม่จิตไม่นนกระเพื่อมเอ้มันไว้ว่างๆแบบนั้นน่ะ ทำไมเกับกริยาปกติจิตของคนต้องกระเพื่อมแต่ไม่มีใครมาเสวยไม่มีใครมาลองรับจิตที่กระเพื่อมคือไม่มีใครมายึดจิตที่กระเพื่อมที่คิดนึกติดตองในปัจจุบันทุกขณะจิตปัจจุบันแต่อันนี้มันทําไมมันภายในจิตใจมันว่างอยู่อย่างงั้นแหละแต่มันไม่มีจิตที่กระเพื่อมไม่มีกริยาการของจิตกระเพื่อมปกติมันกริยาการของจิตเนี่ยที่กระเพื่อมมันจะมีอยู่แต่ไม่มีไม่มีผู้มายึดไม่มีผู้มาลองรับเวลาถ้าถ้ามีแต่กริยาการของจิตที่กระเพื่อมนะ ถ้าไม่มีผู้มายึดกริยาการของจิตเนี่ยหรือไม่มีผู้มาลองรับกริยาการของจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราหรือตัวตนของเรานะมันก็จะถึงซึ่งไอ้จิตเดิมแท้แท้เนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเหมือนกับเนี่ยธรรมชาติในที่เนี้ยคือเหมือนกับจักรวาลเลยเหมือนจักรวาลที่ว่างเปล่าเนี่ยเป็นความว่างเปล่าในจักรวาลแล้วมันจะไม่มีจิตเดิมแท้เนี่ยมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลมันจะไม่มีไอ้ครอบแก้วเนี่ย ครอบแก้วมามาหู้ใหม่จิตเดิมแท้แท้เนี่ยจิตดั้งเดิมแท้แท้ของตัวเราเนี่ยให้แตกต่างจากความว่างของนอกครอบแก้วแต่นี่ถ้าถ้าเราไปจับยึดอะไรไว้แม้แต่จับยึดความว่างหรือจับยึดกิริยาการจิตหรือไปยึดเอาความไม่มีไว้เนี่ยว่าว่าเป็นตัวเราไม่มีเราพยายามยึดความว่างว่างจับตัวเราไว้ว่าเป็นตัวเราแต่เราไม่ยามไม่ไปยึดอาการเพื่อเรามายึดความว่างไว้เพื่อไม่ให้ไปยึดอาการแต่แม้เราไม่ยึดความว่างไว้ก็กลายเป็นครอบแก้วเนี่ย มันจะมีครอบแก้วเนี่ยมาครอบจิตดั้งเดิมหปือจิตเดิมแท้ซึ่งเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยกลับกลายเป็นปรากฏว่ามีครอบแก้วมาครอบความว่างไว้ได้กลายเป็นความว่างของจิตเดิมแท้กับความว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่มันกลับคือเป็นอันเดียวกันไม่ได้เพราะว่ามีครอบแก้วขวางอยู่เวลาโยมาตัวโยมบาลเข้ามาคว้าเข้ามาคว้าไอ้เอาไอ้สิ่งถูกครอบไปได้ทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่ไปยึดไปจับอะไรเลยคือทุกกิริยาการปล่อยให้มันเกิดขึ้นตามปกติ แล้วตัวเราเนี่ยต้องมั่นอยู่ในใจตัวเราไม่มีเพราะฉะนั้นตัวเราจะไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปว่างๆไว้ <c oughs> อีกเวลาเวลาถอดมันจะต้องมีสติทุกครั้งที่มีมีเรา <c oughs> เราจะต้องมีสติรู้ว่ามีเราเพราะว่าถ้าจะบอกว่ามันจะบอกเองว่าไม่มีเราไม่มีเราไม่มีเรามันมันก็ไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ก็บอกอย่างงั้นแต่ก็แค่ก็ว่ามันยังไง่ะ เขาภาษาพากเขาเรียกว่าโยนิโสมนัสิกาคือมันเนี่ยรู้สึกไว้ในใจโดยแยบคายอย่างต่อเนื่องไม่กาดสายว่าตัวเราไม่มีไม่มีตัวตนของเราเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ที่มันปรากฏปริยาการใดๆทั้งหมดในขณะจปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเพราะตัวเราไม่มีแล้วแม้แต่พอเพราะว่าตัวเราไม่มีพอไปยึดไอาอความไม่มีอาการอีกเป็นตัวเราอีกก็เพราะตัวเราไม่มีไปยึดเอาความไม่มีอาการกเป็นตัวเราอีก เรามีเพราะมันมีอาการใช่ไหมแล้วเราก็มีเรามีตัวเรามีตัวตนว่าเราเรากําลังเป็นอยู่เรากําลังมีอาการนี้เรากําลังมีเรากําลังรำคาญอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเรามีแล้วเราเข้าไปพอใจไม่พอใจตรงนี้เราต้องมีสติไหมว่าเราอยาต้องรู้เท่าทันตรงนี้ของเราด้วย ก็คือสมมติถ้าเราโยนิโสโยนิโสว่าไม่มีเราทันใช่ไหมเจ้าคา่ะถ้าเราโยนิโสทันเนี่ยไอ้มันก็จะไม่ไปจับกับอารมณ์มันกับมันก็มีอารมณ์เกิดดับอะไรของมันไปแต่ว่ามันคงไม่ดําเนินนานอะ่ะเพราะว่าเราไม่ไปปรุงมันมน็จะเปอ กิริยาการอะไรก็ตามถ้าถ้าเราไม่เนี่ยไม่เข้าไปมีตัวจับมีตัวเราไปจับอะไรเนี่ยไม่เข้าไปมีตัวเราจับอะไรต่อให้เป็นกิริยาการอะไรก็ตามที่ถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันเราแก้ไขได้ได้กรณีเดียวคือเราเนี่ยหลงถล่มเอาเราตัวเราเนี่ยเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปแสดงกิริยาการซะเองเข้าไปพยายามทําอะไรให้เป็นอะไรเข้าไปแสดงแอคชั่นก็ไปแสดงเป็นผู้กระทํำ อันนี้ยเราจะต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ละเอาไปซะแล้วก็อย่าเอาตัวเราเนี่ยถลําตัวเองอ่ะถลําเอาตัวเราเนี่ยถลําไปตั้งตัวคือเอาเข้าไปปรุงแต่งไปปรุงไปปรุงคิดคิดปรุงก็ไปไปแสดงกิริยาการเป็นพฤตกระทํากิกรรมอะไรเป็นอะไรถ้าเราไม่ถลําเนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเราปรากฏแต่ถ้าเราถลําไปเป็นสังขารปุ๊บจะมีตัวเราปรากฏเลยดัง น, นัน้นส่วน ไ, น ไ, นไนอ้กิริยาการที่มันปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเป็นกิริยาการของขันห้า ขา น, น่าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นส่วนที่ผสมปรุงแต่งขึ้นมาในชาตินี้เดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปมีแล้วหายไปเองเราจะรู้สึกตัวขึ้นมากรณีที่เราเนี่ยถล่มเอาตัวเราไปเป็นสังขารปรุงแต่งคือเอาไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปวิเคราะห์วิจารณวิจัยไปดินน้นรนไปค้นหาไปพยายามพยายามเพ่งจ้องไปพยายามดูไปพยาพยามรู้พยายามเห็นพยายามจะทําอะไรให้เป็นอะไรอันเนี้มันคือการที่เอาตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นสังขารปรุงแต่งคือ ไปเป็นส่วนที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปคือมันมีกิริยามีการปรุงแต่งเป็นกิริย า, าการให้จับอาการได้ให้รับรู้ได้ว่ามีอะไรกระเพื่อมขึ้นมาเรากลายไปเป็นส่วนที่ตัวเราเนี่ยเอาเข้าไปเป็นส่วนที่กระเพื่อมพอเราเข้าไปเป็นตัวส่วนที่กระเพื่มมันก็เลยตกไปตกอยู่ใต้กฎว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเลยตัวเราเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าไปโผล่เข้าไปดูเข้าไปเช็คเข้าไปตรวจสอบมันเป็นกิริยาการที่ปรากฏแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ไปหาย เรากลายเป็นสังขารซะเลยเราไม่ได้เป็นวิสังขารสักทีวิสังขารคือไม่มีปรากฏอาการอะไรเลยทั้งหมดเราไม่มีตัวตนไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีกิยาการใดๆดังนั้นทุกอย่างทุกกิยาการที่มันปรากฏไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราจึงไม่ต้องไปต้องไปทำอะไรกับเขาเขาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ดับไปเราจะรู้เท่าทันต่อเมื่อเราหลง หลงเอาตัวเราเข้าไปเป็นสังขารเอา้าเราไปเป็นสังขารแล้วไม่เป็นวิสังขารเราเป็นวิสังขารคือไม่มีกิริยาการใดๆแต่เราตัวเราไปดิ้นรนไปค้นหาไปพยายามการไปเป็นสังขารแหลวเราก็ต้องรู้ตัว ข, ขึ้นมาเนี่ยคือมันหลงแหละหลงก็ละความหลงรู้ตัวขึ้นมาคือรู้ให้ละความหลงหลงเอาเราเข้าไปเป็นสังขารปรุงแต่งละออกมาทุกครั้งที่เรามีเรามีมเราก็ erkl. ต้องรู้ตัวแล้วก็ละความหลงอันนี้นคือรู้ตัวว่าว่าตัวเองหลง ใช่ใช่ใช่ฮะแตแรกก็คือทุกครั้งที่มีมันก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองหลงใช่ก็ต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่ามันจะแบบว่าไม่มีไม่มีเราไม่มีเราอยู่ในแต่ละแต่ละวันมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ต้องมันจะมันจะไม่หลงเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวนะคือเราเนี่ยหลงถล่มเอาตัวเร า, าไปคิดไปดึกไปติดคุ้งแต่งเนี่ยลงไปนิดเราจะเราเราจะรู้สึกตัวแค่แป๊บเดียวนี่ยแล้วมันจะกลับลงไปอีกถล่มก็ไปอีกเอาไปคิด ไปนึกไปติกไปต่อไปป็นฟุงแต่งแล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้สึกตัวได้แป๊บเดียวแค่นั้นเองค่ะแต่เราจะหลงตลอดอันนี้อย่างนั้นอย<บ>่า ง, ง, ง, งั้นในการปฏิบัติก็คือเราก็คอยรู้สึกตัวเข้าไว้เพราะว่าในชีวิตประจำวันมันหลงถ้าเราเนี่ยพยายามรู้สึกตัวไว้ไอความรู้สึกตัวจะเป็นความฟุงแต่งมันไม่ได้พยายามรู้สึกตัวไว้แต่มหมายถึงว่าในชีวิตประจําวันอยู่ในชีวิตประจําวันเราหลงแต่ว่า แต่มันจะมีขณะหนึ่งที่เรารู้สึกตัวรู้สึกตัวเออหลงแล้วรู้แ ล, แ, ลแล้วเราก็แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราหลงตอนไหนอีกแล้วก็เดี๋ยวนานๆทีเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนะึ่งเออใช่ไอ้ไ อ, อ้ความไอ้ความรู้สึกตัวมันไม่ได้ฉีมันหา่างนานๆอ่อใช่ใช่ถูกต้องในแต่ละวันเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ผี่ครั้งอย่างเงี้ย แต่นี้เราจะพัฒนาให้มันดีกว่านี้ดีกว่านี้คือเมื่อเมื่อเราต้องอยู่ตัวคนเดียวตอนนั้นแหะเราจะไปทําอะไรแล้วเราก็อยู่ตัวคนเดียวเดินไปเดินมาก็ได้คือให้มันเป็นสติตื่นอยู่ไม่ใช่ไปนั่งหลับตานะเราก็อยู่ในชีวิตประจําวันเในชีวิตประจําวันเดินไปเดินมาเนี่ยแต่อยู่ตัวคนเดียวเดินไปเดินมาแล้วเราต้องอยังไงลนะ่ะเบนก็ว่า ไม่ปรากฏตัวเราเคลื่อนไหวแต่ให้สิ่งที่เคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราเพราะเรานี่จะไปก็ะทำแอคชั่นก่อนไม่ที่ถึงจะพูดว่าไม่ปรากฏตัวเราเคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวนี่มันหมายถึงอะไรเอออย่างนี้อะอย่างนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าเวลาที่ ท, ที่เวลาไ อ, อ, อกฎหมายอะ่ะ เ, เ, เวลาเวลาเวลาก็จะตัดสินคดีอเขาเรียกว่าป้องกันตัวแล้วเขามองเยืนมา ไม่หมดเข้า ไ, ไม่ได้อเ อ, เ, อเวลากฎหมายอะ่ะการป้องกันตัวเนี่ยอันนี้จะเทียบเคียงง่ายเห็นชัดดีอ้างเหตุคนร้ายก็จะอ้างเหตุป้องกันตัวจําเลยอะ่ะเวลาถูกฟ้องมาก็อ้างเหตุป้องกันตัวค่ะ น, นี้สารจะดูว่าไอมีนอกจากจะมีเหตุสมควรพป้องกันตัวไหมแต่ถ้าจําเลยเนี่ยไปเป็นผู้ พาทายเขาก่อนไปลงมือก่อนไปแสดงอาการยั่วยั่วเ้าก่อนไปเริ่มต้นก่อนอย่างเนี้ยแล้วพอเขาเขาตอบโต้กลับมาแล้วอ้างเหตุป้องกันอย่างเงี้ยศาลจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็นเหตุป้องกันเพราะว่าเนื่องจากว่าจำเลยเป็นผู้ไปแสดงการกระทําก่อนไปยั่วยุไปไปเหมือนกับไปแอคชั่นไปแสดงการกระทําต่อต่อผู้เสียหายก่อนแล้วก็เขา โต้ตอบกลับมาแล้วตัวเองก็บอกว่าป้องกันทํำไปเพราะป้องกันอย่างนี้อ้างเหตุป้องกันไม่ได้เพราะว่าตัวเองไปเยื่อยุเขาก่อนไปลงมือกระทาก่อนแต่ถ้าเขากระทํามาก่อนเขาลงมือกระทํามาก่อนเช่นเราไม่ได้ไปทําอะไรเลยอยู่ๆเขาก็ทํามาก่อนเช่นควักปืนมาก่อนหรือว่าควักมีดมาก่อนหรือถือวิ่งเอาถือไม้จะตีเราก่อนเราจะไม่ได้มีการแอคชั่นคือยังไม่ได้ไปยื่อยุเขายังไม่ได้มีการกระทําอะไรเลยอย่างเนี้ยพอเขาเล่เข้ามาเนี่ย ถือไม้วิ่งเข้ามาตีเราจะตีเราเนี่ยอย่างนี้เราป้องกันได้อา่างเหตุป้องกันได้เพราะว่าเราไม่ได้ว่าเป็นผู้ลงมือก่อนแต่ฝ่ายที่เขาจะมาตีเราเนี่ยเขาเป็นฝ่ายลงมือก่อนอย่างนี้เราป้องกันได้คือเราเนี่ยต้องอยู่ที่หลังถ้าเราไปลงมือก่อนเนี่ยเราเป็นคนเป็นเป็นเออจะกลายเป็นสังขารจะกลายเป็นผู้กระทําังนั้นเราเนี่ยอย่ามีกิริยาการก่อนคืออย่าไปรู้ก่อน มันจะต้องมีกิริยาการเนี่ยเกิดขึ้นก่อนแล้วเราจึงรู้รู้อาการนั้นแต่ถ้าเราเนี่ยไปพยายามรู้อาการก่อนหรือเราอยู่ๆก็ไปคิดค้นก่อนเลยไปคิดค้นหาหนทางจะรู้นิพพานหาหนทางให้เราพ้นทุกข์คืออยู่ๆเนี่ยมันยังไม่มีกิริยาการเกิดขึ้นเลยแต่เราเนี่ยลงมือไปเป็นกิริยาการก่อนคือไปคิดค้นไ ป, ไปไปพยายามเพ่งพยายามจ้องพยายามทําอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยลงมือไปก่อนแล้วก่อนที่กิริยาการมาเกิดพอกิริยาการมาเกิดเราก็ได้แต่รู้อย่างเนี้ยเราก็จะไม่หลงจงทั้ง แต่รูปแป๊บเดียวเราจะเผลอหลงไปคือกิริยาการไม่เกิดเลยเราล้วงลูกไปก่อนแล้วเลยคือล้วงลูก <Well, S 2> ไปก่อนแล้วคือไปดิ้นรนไปกวนหาไปพยายามเพ่งจ้องไอ้อย่างนี้เราเราเราล้วงลูกได้ยังวะกิยาการไม่เกิดเลยแต่เราเช่นว่าไอ้อย่างนี้เราเราไปพูดกระทํำยังไอ้อย่างนี้คือเรากระทำนะมันต้องรู้อาการที่เกิดเราตึงรู้แต่ถ้าเราอย่างนี้อาการเกิดยังวะ เราเป็นผู้รู้หรือผู้คิดเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เลยกิยาการไม่เกิดมาให้เรารู้ในปัจจุบันขนาดนั้นเลยอแต่เราเนี่ยล้วงลูกลงไปแล้วคือเข้าไปค้นหาแล้ว อ, อย่างนี้เราเราเป็นปผู้คิดหรือเป็นผู้รู้วะเนี่ยเอาอย่างเนี้คือคิดไปแล้วหลงไปแล้วไปเป็นสังขารแล้วเข้าใจไหมเข้าใจถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าในชีวิตประจําวันคือเราก็ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เอง ถูกไหมคะคำพูดตรงนี้บาดเสียไว้จะไม่ใช่ไหมว่าคำพูดตรงนี้ว่าในชื่อตปาะจำวันไม่ต้องสนใจคือไม่ต้องไปสนใจดูว่าเฮ้ยเราเกิดอาการอะไรเอ้ใจเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอ๊ะนี่มันเป็นอะไรคือก็เหมือนกับเหมือนกับเวลาที่ที่หลวงตาพูดถึงเรื่องกฎหมายถ้าถ้าเราไปสนใจดูเนี่ยเราไปแอคชั่นก่อนแล้วคือไปทำแสดงกริยาการดูแล้วเหมือนกับว่ า, าเราลงเป็นผู้กระทําแล้วก็ตอบโต้กลับมาไปเลย อ้างเหตุปอะกันไม่ได้แบบเดียวกันเราอยู่ๆก็เ <c oughs> กียรยาการไม่เกิดเลยไปไปดูก่อนแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> มันต้องรู้กียรยาการที่เกิดมีเกียรยาการเกิดมีคิดขึ้นมามีนึกขึ้นมามีตึกขึ้นมาแล้วมารู้รู้ตามหลัง <c oughs> คือมันต้องมีอะไรเกิดให้รู้ถึงจะรู้ได้ะก็หมายความว่าเราก็ไม่ต้องไปนั่งจ้องว่ามันจะเกิดอะไรไหมมีใจเราเป็นยังไงทายยังไม่ทันเกิดอาการไม่รู้เลยเราไปนั่งจ้องเนี่ยคือกียรยาเรากลายไปเป็นผู้ ผู้แสดงกิริยาการจ้องแต่อย่างเงี้ยเราเนี่ยเสียภาพไปแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาเลิกเิกไปก่อนเลิกเลิกไปเรื่อยไปคือถ้าเราหลงเนี่ยหลงไปจ้องซะก่อนแล้วโดยที่ยังไม่มีกิริยาการให้รู้เลยเราไปพยายามจ้องดูอาการแล้วอย่างเนี้ยไอการจ้องดูอาการคือเราหลงมาเป็นอาการเองอย่างเงี้ยพอเรารู้ตัวปุ๊บเราก็ลาออกก่อเลิกเลิกเลิิิอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยพอเราหลงไปเราก็เลิกเลิเิิกิกอาใหม่เอาใหม่อย่างเงี้ยทั้งวันเนี่ย แต่ถ้าเราไปอยู่มั่วๆกับงานอยู่ๆร่วมมั่วคนอื่นนะมันจะทำได้ยากมันต้องอยู่ตอนที่อยู่คนเดียวมันจะทําได้ง่ายกว่าอย่างงั้นถ้าเกิดว่าถ้าต้องการพัฒนาตรงนี้ก็คือเพยายาอยู่คนเดียวเออยู่คนเดียวแล้วก็มันจะมันจะมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นอถูกต้องถูกต้องคือมันจะเห็นได้ชัดว่ามันมีกิริยาการมาเกิดขึ้นมาก่อนทุกคิดทุกอาการในปัจจุบันแล้วก็รู้เนี่ยมันก็รู้อาการนั้นที่หลัง หรือ <convert> ว <to sex> ่าเราเนี่ยไปเป็นอาการก่อนเลยอาการยังไม่เกิดไม่รู้เลยแต่เราลงเป็นอาการก่อนเช่นว่ายังไม่ทันรู้อาการเลยเราลงไปไปดูไปคอยดูไว้ก่อนแหละไอ้เนี้คือกิยาการได้ไปคอยดูไว้ก่อนเนี่มันเริ่มต้นก่อนอย่างเงี้ยต้องเราต้องอ่าไว้เลิกเลเลิกเิกเราเสียท่าไปแล้วไม่นะเสียท่าก็มีอย่างเดียวเลิกอย่างเดียวแล้วแล้วเอาใหม่เดี๋ยวมันก็มีกิยาการอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็แค่ปล่อยมันเี้แค่ปล่อยมันไมต้องไปดูมันหรอกคือแค่ปล่อยมันเกิดก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกันเ้ง มันก็ไอตัวอย่างนี้จะไอตัวอย่างป้องกันมันจะมัจะชัดแต่ป้องกันแต่ถ้าทําไม่ชัดจะยกตัวอย่างอื่นแเสี๋ยวยงงใหญ่เอาตัวนี้แนี่คือในในคําภาษาเนี่ยเขาจะเขียนกันไอเหตุเหตุเนี่ยเป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นหรือเป็นแบบฉบับอ่ะถ้าเราไปลงมือก่อนเนี่ยเราไปยั่วยวนเ้าก่อนไปแอคชั่นก่อนไปแสดงจากเขาก่อนเนี่ยไปท้าทายเขาก่อนเนี่ยเวลาเขาตอบโต้กลับมาเราจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้คือเราไปลงมือก่อนไปแอคชั่นก่อนแบบเดียวกันคือ เอ ain. มันจะต้องมีกิริยาการอะไรไมัให้รู้มันถึงจะรู้กิริยาการนั้นแต่กิริยาการมันเกิดยังไม่รู้เลยแต่เราไปหาดูแหละอย่างเงี้ยเราไปคอยดูแลเราข้อพยายามจะทําอะไรหรือเราไปคอยคอยดิดคนเราจะจะทํำยังไงดีเราจอย่างงี้มูดนใ จ, จอย่างนี้ไอ้กิริยาการมันไม่ได้เกิดให้เรารู้เลยร เ, รลเราเนี่ยลงไปเราลงไปลงไปแอคชั่นลงไปจะทําก่อนแล้วลงไปพุ่งกระทําก่อนอย่างเงี้ยเรามีทางเดียวคือต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเลิกเลิกเิกเิ อ, เ อ, เอาใหม่เอาเอาใเราถล่มไปเผลอไปและเผลอไปเป็นคนคนลงมาเองลงไปกระทําเอง ไปคิดไปคิดไปนึกไปตึกไปตองไปนิลมไปค้นหาไปนิเคอกนิจานนิใจเองรู้เนี่ยมันต้องรู้คือมันต้องมีกิยาการเกิดซะก่อนเราเคยรู้มันเหมือนอย่างเงี้ยอท่านกล่าวไว้เลยมีมีคํากล่าวไว้ตรงนี้คือมันจะแบบเดียวกับการเห็นรูปอะ่ะเราจะเห็นซะก่อนแล้วรูปมาที่หลังเนี่ยไม่ได้มันจะชัดตรงเนี้ยตัวอย่างเนี้ยคือที่ท่านนี่ท่านกล่าวไว้เลยว่าการรู้เนี่ยต้องเหมือนกับเห็นนี่แนะ่คือ ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นเห็นเห็นแต <outlook S 1> ่ก่อนแล้วรูปมาที่หลังคือมันต้องมีรูปโผล่มาก <f uck> ่อนเราถึงเห็นรูปล้วมีอาการเกิดมาก่อนเราถึงจะไปรู้ใช่ต้องมีอาการเกิดขึ้นมาก่อนเราถึงไปรู้อาการต้องคิดอะไรขึ้นมาก่อนเราถึงไปรู้ความคิดแต่นี่มันยังไม่คิดเลยแล้วก็ยังไม่ได้มีอาการเลยอยู่ๆ comme เราก็ไปหาดูเออมาหลังคิดเอ้ยไม่มาคิดเดี๋คิดไม่คิดวลยเนี่ยเอ้ยมันเพเห็นมันคิดเลยเหรออ i ี e ยคือเราเนี่ยลงไปก่อนแล้วเราลงไปเป็นอาการก่อนแล้วเออ อันเวลาเราเจ๋อรูปได้มันจะต้องมีคนเดินผ่านมาปุ๊บแเราก็เห็นคนนั้นตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราไปเห็นคนก่อนแล้วคนยังไม่มาเลยอย่างเนี้ยคือมันต้องมีคนเดินผ่านมาเราถึงจะจะเห็นคนนี่รคนี้ัแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขายกตัวอย่างไว้ก็คือว่าเสียงเสี<อ>ยงเนี่ยเหมือนกันเลยใกล้เคียงเข้ามาอีกใกล้เคียงกับรู้อาการอย่างเงี้ยพอลุงตาหยุดพูดพอลุงตาหยุดพูดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงก่อนไม่ได้ มันต้องมีเสียงก่อนถึงจะได้ยินเสียงใช่ไหม<ช>ตัวนี้ถ้าเราไปคอยรู้ว่ามื่หรจะพูดสักทีไอ้นี่ยคือกิริยาการเนี่ยมันเกิดก่อนแล้วเสียงมันยังไม่มาเลยเข้าใจไหมมันต้องให้มีกิริยาการเกิดก่อนเรื่องจะไปรู้กิริยาการเข้าใจค่ะเพราะว่ารู้สึกชัวน้องอะไรเราะที่จะมาคือ อ๋อได้ๆมามามามามามามามามมาเดี๋ยเดี๋ยวเดั๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันรู้สยกตัวรอวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเด่๋ยวเดี๋ยวเดี๋าวเดี๋แบบนี้ยเดี๋ย้เดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเนี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋งเดี๋ยเี๋ยือ เหมือนกับเราจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้ที่ว่าคือเขายังไม่ทันถือพูดอะไรออกมาเลยแต่เราเนี่ย<ล>เข้าไปเยงเยงเขาเ้าไปตัวลอ้อเขาเนี่ย<ะ>เราไปก่อนแล้วเหมือนกับเราตั้งตัวรออย่างเงี้ยเราคือเราอย่างเงี้ยเวลาเขาตอบโต้กลับมาเราอ้างเหตุป้องกันไม่ได้คือเราจะเป็นลงมือเป็นผู้กระทําก่อนมันต้องมีกิยาการให้รู้คือต้องคิดก่อนถึงรู้คิดมันต้องคิดก่อนถึงรู้คิดคือรู้คิดไมาใช่ป่ะพอมันคิดแล้วเราไปไล่ดับความคิดนะ ค่ะคือมันมีคิดก็เลยได้แต่รู้มันอ่ะรู้แล้วไม่ได้รู้ทําอะไรหรอกรู้แล้วก็ก็ผ่านไปผ่านไปค่ะพระอาจารย์คะของฉันนั้นมันเหมือนสมองมันเออเลอร์ยังไงอะเหมือนมันแลบแป๊บแป๊บแป๊ความคิดอ่ะมันมันเหมือนมันไม่มันไม่ไม่อยู่เลยอ่ะไม่รู้จะทําไม่รู้เข้าใจยังไงความคิดเดี๋ยวมันอธิบายเหมือนสมองมันเออเลอมันมันยังไงฉันก็พูดไม่ค่อยจะถูก มันก็ความคิดแบบมันเร็วมากเลยอะะความคิดมันแวบแวบแวบเข้ามาตลอดเวลาเลยายงงไอ่สวดมนก็เดี๋ยวก็แวบเข้ามาเดี๋ยวก็แวบเข้ามามันงงไม่รู้เฉนไม่รู้อย่างไรเฉนไม่ว่าผิดปกติจะเข้าหรือเปล่าน้อทําไมเป็นอย่างนี้โอ้ยจิตมันต้องคิดตลอดเวลาแนี่ยแต่แต่แบบมันคิดแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันคิดแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านเร็วขนาดนั้นเลยอะแอบแป๊บแปใช่ใถูกต้อง ตรวจมนไม่แลบมาแลบมาเรื่องนี้เดี๋ยวมันไม่ไม่เป็นเรื่องเป็นลาวเป็นปฏิปไตใช่ใช่เราจะไปไปไปรู้ว่าเราคิดเรื่องอะไรนะคือมันมีกริยาการกระเพื่อไปคิดคิดคิ ด, ค ด, คดตลอดเวลาเลยมันไ ม, <ต>ไมไ่เป็นเรื่อง<ต>ปฏิปแต่เรารู้เรื่องวรู้เป็นเรื่องเลาถ้ารู้เป็นเรื่องเลาเนี่ยคือหลงยาวแล้วนั่นแหละรู้ตัวรู้ตัวอ้าวจะแป๊บปแป๊บเดียวเดี๋ยวเรแต่แป๊บเนี่ยกริยาการภปยในใจนี่แป๊บแแมันคี่ตลอดเวลานะแต่ไม่นะได แต่แต่ว่ารับรูมแวบๆแต่ไม่มีใครไปทำอะไรกับมันอ่ะก็ยิ่งอยู่คนเดียวก็มก็ยิ่งโอ้โหไม่รู้อะไรมากมายอยู่คนเดียวมันเลยเห็นชัดไงค่ะนี่ก็บอกว่าให้อยู่คนเดียวเนี่ยมันเลยเห็นชัดมากมายขนาดนั้นเลยโอ้โหฉันก็มาถามคุณนายทำไมฉันเป็นอยางเงฉันเป็นมันมันเยอะกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ความมันถูกแล้วยิ่งดีใหญ่พวกอยู่คนเดียวมันเลยยิ่งเห็นชัดนี่ควาคิดฉันทำไมเป็นอย่างนี้จะเหมือนมันเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ฉันทำไมเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่อมันมันผิดแต่เราเข้าใจผิดก็ใจถูกไอ้ที่มันแป๊บๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิริยาการของขันห่าแล้วไม่มีใครไปยุ่งวุ่นว้ยกับมันในไอ้กิริยาการทุกมันมันตัวเราไม่มีไง ก็เลยม่แดดแวบๆๆๆเหมือนกับตัวเราไม่ปรากฏเลยห้ามอะไรก็ห้ามอะไรก็ไม่ได้เลยนะไม่ไม่ไม่ไม่มีการยัดหยุดยั้งเลยค่ะทาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาไงคือเราเข้าไปบังคับมันไม่ได้พุทธเจ้าตัดไว้จนไอ้นี่เป็นาการแวบๆๆเป็นอนัตตาเราเข้าไปบังคับมันไม่ได้เราเข้าไปบังคับไม่ได้เลยก็ปล่อยแวบๆๆแต่เราก็ไม่เราเราเข้าไปบังคับไม่ได้ก็ปล่อยแวบๆไปแต่ตัวเราไม่มีค่ะ แล้วเราก็ไม่รู้เพราะอะไรบางทีก็ไปจุกจุอยู่ที่ที่ดวงตาว่ามันอยู่ข้างในอะไร่มันจุกจุกเพเพราะว่าไอ้ี่ไอ้ที่จุกๆแเนี่ยคือตัวเราเนี่ยพยายาจะไปเบรกให้มันไม่แบบอ๋อเลยฮะพยายามจะไม่เบรกใหมันไม่คิดไม่คิดได้คิดพยายามเบรกแล้วเบรกแค่อยู่แบบแบบหาหนทางว่าทํอยังไงถึงจะไม่มีคิดมากอะไรันเนี่ยนี่งามันก็เลยคอกนี่ไงโอ้เราเข้าใจผิดไม่ว่าเอ้ยมันไม่ทาไมไม่ในความคิดเนี่ยเราจะเปลี่ยนเชื่อฟังเนี่ย ความคิดที่ว่าพออยู่คนเดียวมันจะเห็นความคิดไดเร็วมาเลยแบบๆๆเหมือนไเนี่ยเขาเปิดพัดลมเนี่ยมันมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามพาะวพัดลมเกียร์สมนั้นย <ça. S 2> ิ่งเร็วที่สุดเวลาเราอยู่คนอื่นเียวเนคิดแล้วอกลงเกียร์ห่งบางทีเกียร์สบางทีเนี่ยพอเราอยู่คนเดียวมันเหมือนเกียร์สพัดลมหมุนเร็วความคิดเราตลอดจะไม่รู้เรื่องไม่คิดอะไรหรอกแจะมันเป็นอาการใสใจเราเนี่ยเหมือนพัดลมเกียร์สาเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงเแต่เรายังอยู่กวาน คือมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราก็ประคับมันไม่ได้เพราะมันเป็นอ น, นัตตาค่ะแล้วถ้าเราไม่ยึดว่ามันเป็นเราแค่นั้นแนี่ก็จะไม่มีตัวเราเลยแต่กิยาการมีอยู่จะไม่มีตัวเรามันได้แต่รับรู้รับทราบตามธรรมชาติโอ้แสบบางทีก็ทุกนั่งทุกใจเดี๋ยวก็มาถามคุณนายบังเขาเป็นเหมือนฉันหรือเปล่านะคนอื่นนะ <c oughs> คือมีเกิดกิาการอย่างนั้นแน่ แต่เราเพียงแค่ไม่เข้าไปยึดกริยาการนั้นเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา ย, ยเพราะว่า ม, มันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเราบังคับมันก็ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวตนของเราแกนั้นแนะก็ไม่มีตัวเราเลยมันมีแต่กริยาการทั้งวันทั้งคืนจังกว่าเราจะตายไปกริยาการนี้นจะดับไปโอ้ที่เห็นแน่นหนักอยู่เนี่ยเพราะว่าไปไปจะไปบังคับไม่ให้คิดอันนี้เองว่าจะไปจะไปจับแต่ตัวว่าไปฝืนความจริงเลยทุกหนักเลย ความจริงของธรรมชาติทุกธรรมชาคือมันจะต้องเกิดมันต้องแว่าทุกข์คิดตัวอาการมันเกิดเร็วมากเนี้ยแหละตอนเราอยู่คนเดียวมันจะเกิดมากเลยคไม่ใช่ว่าเราไปรู้ตมเราคิดเรื่องโู้นเรื่องนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าแว๊บๆเมาแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวไปรู้อะไรอะไรมั่วหมดเลยย่ำเยอะมากมันต่อเนื่องมากเลยอ่ะมันจะคิดเนี่ยต่อเนื่องมากเลยแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปยุ่งวุ่นวายคือไม่มีตัวเราเนี่ยเข้าไปอะไรนะเข้าไปยุ่งวุ่นวายเข้าไปก็ไปแสดงอาการด้วยไม่หลงเข้าไปเป็นคนแบบเอง แต่แต่ว่ารู้ว่ามันภายในจิตใจล้วมันรัรับรับทุกคิดทุกอาการแต่ไม่มีใครเข้าไปรองรับไม่มีใครเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่มีใครไปจับมันไม่มีใครไปปล่อยมันแต่แต่มันเราไม่ไปยึดว่าไอ้กิริยาการเหล่านั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวอรเรา่นั้นตลอดเลยเราทํางนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หลงไปอีกหลงไปคิดแล้วก็เราก็หลงไปเองเราก็รู้สึกโตกขึ้นมาแล้วเลิกเิแต่เราพอเรารู้สึกโตกขึ้นมาเอย่าจิดเป็นแร็ปแร็ปแร็ปเลยแป๊บเดียวเองไรือตัวแป๊บเดียวเิก เงี้ยเดี๋ยวาแป๊บมันจิงมก็ใสไปหมดเลยแต่ตาแค่รู้แค่เป็นอย่างนั้นจริงๆเลยถูกต้องถูกต้องนี่คือธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละรู้ตัวแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวมาเวเผือแป๊บเดียวเองอ่ะมาอีกแล้วอ่ะดวงตาก็เป็นอย่างเงี้ยเผลอไม่ได้เผลอมาเวบเขาไหมเงี้ยแร้แป๊บๆอย่าเผลอเตัวเอาตัวเอโลเป็นสังขารเนี่ยแต่จริงแป๊บๆแป๊บๆแบบมยมายไม่เคยดับเลยไม่ตลอดเวลา แต่วกว่าเราจะตายจะทั่งยามนอนอีกโอ้โห อ, อ, อะไรแบบปันนั้นแต่ไม่มีตัวเราเข้าไปเสวยงไงไม่มีตัวเราเข้าไปยึดว่าเสวยคือหลวงก็ไปยึดว่ากิยาการนั่นเป็นตัวเราหรือตัวตนของเราเห็นแบบตัวเนี้ยจะสวดมนต์ไม่ได้มันแน่นจุกอะไรเงี้ยไม่เราพยายามจะไปสวดมนต์ตะกดปันไม่ให้มันแบบมันคิดแร็ปแร็ปแรนั่นเลยคะเพื่อนไปยายวไปยามจะไม่ให้คิดถ้าคิดอะไรนักหนาสวดมนต์จะสวดมนต์ไปคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะ แต่ก็สวดมานานมากตั้งแต่อยู่กับคุนายมาก็เท่ายหนี่ยี่สิบปีก็สวดมานานมากเขาให้สวดมนต์ไว้เพื่อว่าให้มันให้มันเป็นหลักใจไว้มันจะได้เห็นความคิดแบบแบบแบแบแบบเราจะได้ไม่ไม่หลงตัวเราเข้าไปเป็นคนคิดพอเราสวดมนต์มานานแล้วเราเห็นจิตที่มันแวบแวบแวเนี่ยเพราะว่าเราอยู่กับคำหลักเราเนี่ยคือเรารู้สกตัวอยู่คำสวดมนต์อะไเลยเห็นจิตมันแวบแวบแวบแเราเลยไม่หลงไปหลงไปค เราไม่หลงไม่เราเลยไม่หลงไปเป็นคนคิดเองเพราะว่าเราอยู่ความสวดมน์มานานมันก็เลยเห็นจิตที่แวบๆที่มันคิดแวบๆเราเลยไม่หลงไปเออแต่เราไปเข้าใจผิดคือว่าเราพยายามที่จะสวดมน์แล้วให้แม่มันคิดไม่คตลอดเวลาเราก็ใจผิดคเออเราก็ได้แต่สวดมน์แล้วก็เห็นจิตที่แวบๆแล้วเราไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับไอจิตที่มันคิดแวบๆทุกขณะจุบันเนี่ยไม่เข้าไปยึดว่าเนี่ยเราเป็นคนคิดหรือความคิดเนี่ยเป็นตัวเรา แลว้วพวกไอเราเป็นสวดมนต์อยู่ไง <ธา S 2> เออจนกระทั่งเนี่ยเราได้แต่รู้ว่าเนี่ยมันมีมันมีจิตที่คิ ด, ด, ดตลอดเวลาไม่มีตัวไม่ไอจิตคิดทั้งหมดเนี่ยทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็เลยไม่ต้องไปไปสวดมนต์เป็นตัวฐานล่อไว้เพราะเราเห็นแล้ว เราก็ได้แต่รู้ได้แต่รู้อยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับร nah, ู keyboard. ้คือได้แต่สับสับว่ารู้ว่ามันจิตไปคิดแวบแวบแวบแแไม่มีใครเข้าไปยิดบ้านถือบ้านได้แต่รู้แค่นี้เนี่ยอยู่กัรู้อยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับรู้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับรู้อยู่กับรู้ที่หลวงปู่ท่านว่าบางทีเนี่ยอยู่กับผู้รู้เนี่ยอยู่กับผู้รู้แล้วแล้วจะต้องสวดมนต์ที่จะจะสวดไปได้อีกไหมแล้วก็สวดไปตามปกติแล้วเราก็อยู่กับรู้แล้วจิตมันคิดแวบแวบแวสกคำสวดมนต์แต่เราต้องเข้าไปยึ ท่านึกว่าฉันตัวตอนสวดมนต์เนี่ยเอ๊ะทาจิตผิดยังไงหรือเปล่าทําไมจุบจูบแน่นๆอยู่ด้วยเราจะพยายามไปสวดบนต์ให้มันให้มันไม่คิดไม่ให้คิดเราไปงุนจิตเพื่อบะเรามันจะต้องเหลือแต่คําสวดมนต์ให้มันคิดไม่ได้ค่ะอะไรอย่างนั้นเลยทํำให้คิดเลยทาจิตผิดไปเฮ้ยเข้าใจผิดเข้าใจผิดอันนี้มันดีกว่านะดีกว่าคนที่ที่ผิดแบบว่า อยาาไปจับว่างไว้ไม่คิดอะไรถามที่ไรว่าถามที่ไรว่าอันนี้อันตรายสาหัสเลยอืมันนี้เห็นเห็นคิดเยอะเรื่องเงี้ยดีอันนี้จะไม่ไม่ไม่ไม่ตายง่ายไม่ตายง่ายบานทีถ้าไปจับว่างๆไม่ตายง่ายเดี๋ยวเกิดเลือดขาวตาเลยแค่เนื่องว่าประสาทจะเป็นอะไรเปล่าเนาะทั้งวันเราก ja ็เป็นอย่างนี้เองลุงตาก็เป็นอย่างนี้แหละ ก็คิดแบบแรบแต่ไม่เอาตัวเราไปคนคิดแล้วอาการเปิ่นคอยจะเก่งเวลาเดินทำงานเดินอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอะไรแต่ไม่ตัวเองเหอนกับเ่รานี่เนี่ยเราก็พยายามไปกดความคิดไปบังคับมันเนี่ยเราพยายามไปบังคับมัให้คิดเลยเนี่ยก็เลยออกอาการหลายอย่างนะพอเราเข้าใจเสร็จแล้วคุมีแต่ความคิดไม่มีตัวเราคุมีแต่ความคิดไม่มีตัวเราไม่ใช่เป็นความคิดเลยคุมีแต่จิตแต่มันคิดๆแต่ไม่มีตัวเรา แค่นั้นแหละมันก็จะไม่มีอะไรเลยอาการเกรงอาการที่มันแน่นจุกอะไรก็จะหายไปเลยมันเกิดจากอาการที่เราพยายามประคับไม่ให้มันคิดนี่เนี่ยเลยบังคับไม่ได้แต่เราพยายามบังคับว่ามันเป็นอนัตตาก็เลยเป็นจุกเป็นเกรงคือเราจะพยายามทําให้อาการของจิตมันหายหมดพูดง่ายๆมันทำไม่ได้เข้าใจ ว่าเราสอบตะวรู้สอบตะวรู้สอบตะวรู้ตลอดเวลาสอบตะวรู้คือไม่ใช่ไปดูมันหรอกคือมันมีแต่คิดคิๆคิดไม่มีใครเข้าไปยุ่งวุนวายกับความคิดเรานั้นไม่มีใครไปลองรับไม่มีใครเข้าไปยึดมันก็ไม่มีตัวเราเลยมีแต่ความคิดแต่ตัวเราไม่มีมีแต่จิตเป็นคิดคๆๆคิดจะเป็นความคิดไปเรื่องเวลนราวอะไรอกจิกจิกิกๆิกจิกจเป็นท่องวันน่ะดวงตาเขเป็นท่องวันเลยเป็นอย่างนั้นนะเขาเป็นท่องวันะแต่ไม่มีเมื่อไหร่ที่เราเผลอเข้าไปเป็นคนคิดเองหรือหรือเผลอเข้าไปยากจะไปจับ ไปจับไปจุกมุนวายกับไอ้กิริยาการที่มั น, น, นจิ๊กคนนิักจิ๊นจิ๊กยู่กจู๊กยู่กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กรู้กูิ๊กจิ๊กรู้—กจิ๊กะิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิมกจิ๊มจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊อยู่กัิรกจิ๊กจไปอยู่กับไล่ดักความคิดอย่าไปไิ๊กยู่กับอากจ้าใจิมล่ะ อยู่กับรู้อยู่กับรู้อย่าทิ้งรู้นะอย่าทิ้งรู้ถ้าทิ้งรู้ปุ๊บมั่วเลยบางทีก็มัวบางทีก็การรู้ขายไปบ้างโอเคก็มัวเพราะเป็นอยู่แล้วว่าดีหลายแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราเห็นมันมัอยู่กับแช่แช่แล้วมามามาเห็นจิตมันชุกชุกชแต่เมื่อไหร่เมื่อก่อนอยู่กับแช่แช่เราพูดยังไงก็อยู่กับแช่แช่อย่างนี้เนี่ยก็แต่ว่าฟังดินแถวนี้เนี่ย มองๆให้หน่อยสิเมื่อก่อนเนี่ยเราเห็นว่ามันอยู่กับแช่เล้วยวพิลาเกรสุรีเลยก็แช่แช่อย่งี้ไม่คิดม่อะไรแช่อย่างนี้นี่แบบผิดไปอีกด้านหนึ่งแต่พะมันผิดหุดออกมาแล้วว่าคิดชุกุกชกเห็นจิตมันแสดงการชุกชุกุกชิบต่อเวลากลับไปเข้าใจผิดอีกว่ามันจะต้องไม่มีอาการแบบนี้พาเราไปไล่ดับอาการชุกชุกชิบในใจเรานะกลับไปแช่อีกเหมือนเดิม เราทำได้แค่สักสภามะรู้สักสภาวะรู้มันจะว่าสักสภามรู้คือไปไล่ดูอะไรหรอกคือสักแต่รับรู้ว่ามันมีกิริยามันมีอาการจุกชุกชุกชุกในใจเราแค่นั้นเองแต่ไม่ไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกแต่ถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเราเอาตัวเราเราไปหลงคิดมันถึงคิดเป็นเรื่องเป็นราวได้คอันนั้นเราต้องรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เลิกเลิกเเลแต่ถ้าพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนหลงคิดอ่ะภายในจิตใจเราจะชุกชุกชุกชุกชุกชุกเป็นไม่ไม่เป็นเรื่องราวอะไร เราดับมันไม่ได้นะอันนี้ดับมันไม่ได้เมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในประครับของเราแต่จุกจี้ก็แค่รู้ไปเราก็แค่รู้จําได้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ร ก, กว่ากับกว่ากัจะถึงข <ไป S 1> ั้วสิ้นอายุไผยอ อ, อ, อาการจะุกจี้ก็ดับไปเหลือแต่รู้ก็ไปเป็นอมตะธาตุไปเมื่อก่อนฉันเข้าข้างในอย่างเดียวเลยเออเมื่อก่อนมันผิดมันก็ไปแช่อยู่ข้างในไงมันในอยู่ข้างในแบบหนักมึนตึ๊บไม่รู้เรื่องอะไรเออ ตาสอนมาก็รู้แป๊บเดียวมึนเติมไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนมันไปอยู่ข้างในอย่างนั้นกใจตัวเองเหมือนหลวงปู่บอกว่าเป็นเป็นกรรมไปหลวี้ก็ทําผิดเลยมันก็นกรรมไปแล้วหลวงปู่ไปว่าที่ว่าหลวงปู่ว่าแต่กันได้เดี๋ยวทีฐานสาวหลวงปู่เดินจงกรมอยู่ทำไมแด้แต่เป็นอย่างนี้พอเช้ามามันเป็นกรรมเช้าเลยมาออกมันเป็นกรรมโอ้โหน่ากินจริง แล้วมนหลุดออกมามามามามีอาการจิตที่มันจิ๊บิดบคิดอยู่ในใจตลอดเวลาได้ไงเนี่ยมนหลุดออมาได้ไงแต่ที่แช่ค่อยๆดีขึ้นมาอ่ะค่อยๆดีขึ้นมาเองมีความรู้ความเห็นเข้าใจหรือทำอะไรอย่างไงบันทึกหยุดบันทึกหลุดออกไอที่แช่มาเป็นมาเห็นอาการมันจิตคิดคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ค่อยๆดีค่อยๆรู้มันรื่อยๆงิดๆนิดๆค่อยๆรู้มาเรื่อยๆรู้อย่างไงค่อยๆรู้มาเรื่อยๆเน้นให้เราเรียนหน่อยสิ เข้าใจอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยตาสอนมาอย่างนี้อย่างนี้ก็นึกถึงแล้วก็เข้าใจค่อยๆเ ข, ข้าใจมากขึ้นตั้งแต่หายทองฟาดโดนที่ที่นเนี่ยที่ที่ทบ้านใครหายท้องอะ่ะฉันเองแค่ฟาดหายมาตัหัวบุบไปงี้น่ะใช่แล้วมาแล้วพขาก็นอนนอนนอนเรียนสิงเรียน พอได้เหตุคนข้างหลังข้างหลังบ้านข้างหลังบ้านป่าผงก็ันี้คนเป็นโรคความดันรู้ว่าถ้าใกรารูอมไปยูหมดยขาพันส้นอยู่อย่างเดียวเลยลบยกง่ายก็ยกไม่ไ่พนตื้มลงมาโอ้โหปาจบุกไปเลยอ๋อด้ออกจากอาการแช่มาได้เลยอ๋อนี่น้ำปู่ว่านพูดก็ถูกกะดีอย่างเงี้ยมันเป็นโลกรรโลคกำรมันชดใจกรร พอใช้กรรมหมดแล้วเลยกลับมาเป็นปกติเล ย, ย, ยเลยลุดออกแต่แช่มาเห็นอาการทองิตได้เลยเนี่ยเม่อวานเม่อานเ่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนื่อวเอน เ, เ, นเมื่อานเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเ่อวาเมื่วานม่เจื่วานเมือวานเมื่อาเมืนเมื่อเมือวเ่อวานเ่อนเมื่วนเม่อวเมอเมื่อวานงแต่นั้ น, น, น, น ก, กนนน็เอเ อ, อ, อมันใช้กอามอานเมื่อมันเมื่อวาบเมื่านม่าเมื่อเื่อวานเมืามื่อานเมื่อวานเมอานเมือานเมื่อวาหเมด่อว่อวเ หัวฟาดปืนหัวฟาดลงไปอ่ะลายชทองตึ้งทั้งยืนเลยแล้วไม่ใช่ต่ำด้วยฮะทั้งไปสูงขึ้นไปชั้นหนึ่งมันกลับมันแช่มันแช่หลุดออกมาแล้วเป็นปกติน่นแหละมันมีแต่แล้วมันจะชุบชุบชมันจะเหมือนเหมือนอาการของเเราไปโทษด้หัวฟาดมันเหมือนไอ้สมองมันสายเหมือนสายฟ้าแลบมันทำให้คิดเร็วมากเลยไม่ใช่แล้วคือมันหลุดออกมาเป็นปกติแล้วเป็นอย่างงี้แน่แล้วนี่ดวงตาก็เคยในขณะอาการในจิตใจมันชุๆ แต่คือเราไม่ไปยุ่งกับมันเลยนะมันก็มันก็ชุกชิบชิบก็ไปเราทำอะไรกับมันไม่ได้ไงก็ได้แต่แค่รับรู้รับทราบแค่นั้นแหละแสดงแ่ไม่ว่ามันผิดปกติอะไรบ้าทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เห็นไม่เห็นเาคิดตั้ทีเลยเนี่ยเองนึกอยู่คนเดียวบอกคน้าแจ้งบอก็ผู้เล็กเลยฉันทั้งันเป็นเนี่ยมันผิดปกติรอเปล่าเนี่ยฉันอะเวเราพยายามจะไปห้ามมันมันก็เลยแบบจุกแน่นอกไปหมดอะอือคงจะเป็นอย่างใน คอยจะจุกคจะแน่นแต่พอพอเขาตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วมันก็เหลือแต่เนี้ยแก่รับรู้รับทราบทุกขณะดอย่าอย่าไปทิ้งนะแก่แกรับรู้รับทราบทุกปัญญาการทุกคิดทุกอาการในปัจจุบันมันอยู่ก็รู้อย่าทิ้งรู้ไว้ไอสับตะวรู้ไว้นจะไปไล่รู้ดูอาการอะไรหรอกแก่รู้ว่ามันมีในใจแค่นั้นอย่าทิ้งรู้อย่างเนี้ยแล้วจะไปจำรู้แล้วเมื่อไหร่มจะหายไปหมดทันทีจะได้เบาสบายทันทีกลับไปแช่อย่างเก่าเลยตัวเนี้แช่อีก ถ้ามันมีกิริยาการที่เร็วๆในใจนั้นมันจะแบบไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวนั้นคือหลงคิดตัวแล้วแต่ท่ามนมีจุกจิกจุกจิกจุกิกจุกจิกในใจตลอดเวลานี่ยเร็วมากเลยอย่างเงี้ยอันนี้ถูกต้องแล้วเราอย่าไปทําให้มันดับเพราะว่าอันนั้นเป็นเครื่องระลึกรู้เลยในทุกขณะปัจจุบันผักขาดเรื่องผักขาดจิตที่มันมีอา ก, การของจิตุุุกกในใจเราเนี่ยเร็วมากเลยตลอดเวลาทุกขณะปัจจุบันนะผักขาดตัวนี้ไปเป็นเครื่องระลึกรู้นะแช่เลยหรือว่าหลงเลย มันต้องอ า, าศัยนี่เนี่ยไออาการของจิตที่มันเหมือนมันคิดเหมือ น, นคิดเร็วๆ เ, เหมือนอาการของจิตที่มันอยู่ในใจเราจิกจิกจิกจเนี่ยอยู่ในใจที่เร็วๆ เ, เนี่ยมันเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติเออเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติอยู่ทุกขณะปัจจุบันเลยเราจะไปทิ้งไอเนี่ยเครื่องระลึกรู้จิตอันนี้ที่มันจิกจิกเนี่ยให้เป็นเครื่องระลึกรู้ทุกขณะจิตปัจจุบัน สติอยู่ที ettes, ่ไหนความรู้อยู่ที่นั่นความรู้ไหนสติอยู่นั่นสติกับความรู้มันอยู่ด้วยกันก็ให้มันมารู้เนี่ยให้สติเนี่ยให้สติกับความรู้มันรู้จิตในทุกกระดาษปัจจุบันนี่เนี่ยเป็นเครื่องระลึกรู้ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยอาการของจิตกที่มันจิกกิกหายไปเนี่ยเนี่อันนั้นให้รู้แล้วว่าผิดแล้วเพราะอะไรไออาการของจิตที่จิกจิกจิกจิกมันทุกิทุกอาการในปัจจุบันมันจะคิดเร็ว่ากนะแต่ถ้าเราไปคิดเป็นหนึ่งไปคิดเป็นเรื่องเป็นราวหลงแล้วหลงคิดสอง อาการของจิ ต, ตกิจจุกิจคุณิตหายไปแช่แล้วแ ช, ช่ไปในว่างเบาสบายอันนั้นน่ะผิดแล้วแช่ไปในอารมณ์อันนั้ น, นน่ะร้ายไกลกว่านะหลายกว่ากับหลงคิดไอ้ที่แช่เบาสบายเนะ่ะคือตายได้อ่ะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะไปช่วยมันเนี่ยไหลพลุนแล้วเนี่ยเป็นหมอด้วยก็มีแช่จกกนกระทั่งผูมผูุ้้การบกพร่องอะ่ะหาว่าเป็นโรคอะไรภูมิภพดวงจันทร์โรคอะไรไอ้ภูมิคุ้มกันอะไระที่มันมันทําร้ายตัวเองอะ่ะ แต่จริงไม่ใช่เลยจะไปดูอันี้มันแช่แช่จนเก็ดเลือดเผาต่ําเลยเราพอให้ออกมาอยู่กับผู้รู้โอ้ยจิตมันคิดเร็วมากเลยหน้าแดงกลับไปลุกตมลึงเลยโอ้ยเมื่อกี้มันหน้าซีด จ, จนเดินเข้ามายังไม่มีแรงแป๊บเดียวพอมาอยู่กับรูนะ้แค่นั้นแหละหน้าแดงลุกตำลึงเลยแต่มันจะไปกลับว่าไปไ ป, ไปชอบไปไม่ชอบใจอาการที่เมันเกี้ไปสบายกับกลับมัเป็นอาการของจิตมากมายเดยวถ้าไป มดุดจิอาการท้งจิเตเลยกลับมาแช่เออถ้ามันเบาๆว่างๆรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรอันนั้นละผิดพลาดมหาใหญ่โตเลยเรื่องใหญ่อันนั้นคือแค่แค่ลงไปเนี่ยในความรู้สึกว่างๆอันนั้นละเดี๋ยวใกล้ตายแล้วเข้าใจไหมดีนะคําพูดเราเนี่ยจะทําให้หลายคนเนี่ยหายหลงไงหลายคนเนี่ยอยากแค่เบาๆสบายชอบอยู่เบาๆสบายว่างๆเบาๆสบายว่าคิดไรได้ถูก ไอ้ีเนี่ยไม่จะได้ไม่เห็นอาการของงจิตกิ๊กๆกิ๊กในขณะจิตปัจจุบันเน่ยที่ไปเครื่องราลึกรู้เนี่ยรู้ให้เลยมันอันนั้ผิดพลาดแล้วหลงหมอมีสงสัยอะไรจะเจอแล้วไค่ะก็คงต้องเพียนแล้วก็โยนิโสอย่ที่หลวงตาอยนิโศคือมันไม่เข้าไปยึดอะไรแค่นั้นแหะอย่าไปยึดไอ้ปีลาการของจิตอย่าเข้าไปยึดอยูนิโศเห็นว่ามันเป็นหน้าตาไป ไปยุ่งวุ่นวายเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้<ฆ>ไม่ใช่ตัวเราอย่าไปจะไปคับให้เขาหายไปคร<ฆ>อยู่นิโสคือว่าทุกอย่างเป็นในจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือต้องโย España, <ฆ>นนิสโวมาไว้บรรลิกาไว้นในใจว่าเนี่ยทุกอย่างเป็นในจังทุกขังอาตามไม่เที่ยงไปบังคับเขาไม่ได้ตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีเนี่ยคือต้องโยนนิสโวมาไว้ในใจคือสติปัญญาตัวนี้มันต้องรู้สึกไว้ในใจเราแย้มคลายอย่างตอนนี้ไม่ขาดสายครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปตไปคิดไปบอกไปสอนมันหรอกคือมันต้องรู้สึกไว้ในใจว่าเป็นความไม่เที่ย ตึดกระจายไหมอาจารย์ธุรีพูดแล้วเราที่บอกไปตอนแรกอะเราจะเข้าไปรูกแอคชั่นก่อนเดี๋ยวเข้าไปแสดงพฤติกรรมก่อนก็ไปเพียนต่อจ้ะค่ะแล้วก็ค่อยมากราบตาไม่ต้องปิดห้องคุณผู้ชมอาจารย์ดูเองคุณว่าคุณครูอาารย์ปลอดภัยไหม